สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพักเสาร์อาทิตย์กันไปเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการสันสนีสนธนาที่มีโพ ก, การจันถึงสุขดิฉันสันสนีนาพงดำเนินรายการอยู่ที่ fm 1 0 6ครอบครัวข่าวแห่งนี้และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียตค่ะเป็นอย่างไรคะหยุดพักเสาร์อาทิตย์กันไปได้นาวิชาที่พระมาร์คชาคาวโรหรือว่าท่านมาร์คได้สอน ให้ไปปฏิบัติอานาปานาสติไปใช้กันบ้างหรือไม่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการที่อยากจะใช้เวลาในแต่ละวันนะคะให้คุ้มค่ามาปฏิบัติทำไปพร้อมๆกันด้วยวันละเล็กวันละน้อยนะคะแล้วจะค่อยๆก้าวหน้าไปเองวันนี้ท่านมาร์กมาอีกเช่นเคยนะคะนรักสการ์กทั้งค ะ, จะเจริญพรค่ะวันนี้ท่านจะ สอนเรื่องอะไรดีคะอ่าวันนี้ก็จะให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้จะลองหาประสูตดที่เกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูลินกายใจที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้สอนไว้อย่างไรบ้างให้เราทําอย่างไรกับตาหูจมูลินกายใจหรือว่ารูปเสงกินรสโพธะปะธรรมรมให้เราได้นั่งใคร้ครวนไปในขณะที่นั่งสมาธิไป <c oughs> ก็สำหรับผู้ที่พร้อมแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยดนยการามามีสติรู้อยู่กับลมหายใจจิตหลุดไปคิดในอดีตในอน า, นาคตความสุขความทุกข์ก็ให้รืมละความคิดนั้นเสียแล้วก็ละความเพลินในอารมณ์ต่างๆให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรือว่าการกระทำต่างๆ จะอานพระสูตรที่พระมิกาชาระได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการอยู่ผู้เดียวนั้นเป็นอย่างไรพระมิกาชาระได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนมิคชาระรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมกูกรสทั้งหลายอันจะพึงเล็มด้วยลิ้น โหดทพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภะและธรรมอารมณ์นั้นซใสแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัและธรรมรมณ์นั่นแหละนันทิคือความเพลินย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมไม่มี เมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะคือความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีดูก่มนมิคชาระภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่ อย่างอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมณ์ที่จะมองเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจหากเราไม่เพลิดเพลินแล้ว นันทิคือความเพลินย่อมดับเมื่อนันทิดับสาระคะคือความพอใจแย่งแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความพอใจแย่งแรงกล้าไม่มีสัญโยคะคือความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีหากเราไม่มีการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอนานาจแห่งความเพลิน พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเราเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวและท่านได้ตรัสต่อว่าดูก่อนมิคชาละผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลียนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชา มหาอามาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้น ตันหานั้นอันภิกษุนั้นละได้เสียแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แล <Okay. S 1> วันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายรีบทแล้วก็ออกจากสมาธิได้ค่ะ okay. มรสการขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะท่านฝั่งข่าวันนี้พระมาร์ชาคาวโรได้นําเอาพระสูตรที่ทําให้เราเข้าใจว่าการอยู่แบบผู้เดียวตามคําสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยนะคะเราคิดว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวให้คนอื่นไปอยู่ที่อื่นสมุด์หรือหนีไปอยู่เพียงคนเดียวแต่นี่กลายเป็นว่าถ้าเราละในสิ่งที่เป็นตันหาที่มันเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจในะคะก็จะทําให้ สามารถอยู่ตามลําพังโดยผู้เดียวได้วันนี้ก็ต้องบอกว่าพระสูตรอย่างนี้การนําท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเช่นนี้ท่านจะได้พบจากการนําของพระมาชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพง์ลำลูกกาคลองสิบซึ่งพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์คึกฤทโสธิพโลนะคะก็ได้ให้ลูกสิทธิ์ที่เลื่อมใสในแนวทางของพุทธวจนะ จัดทำหนังสือชื่อพุทธวจนะอาณาปานาสติโดยพระตถาคตมาฝากให้กับผู้ที่สนใจจะปฏิบัติตามคำสอนของพระตถาคตอย่างชนิดที่ถูกต้องตรงทางกันด้วยเรามอบให้วันละหนึ่งเล่มสัปดาห์ละ5เล่มนะคะที่สถานีวิทยุ FM106 ผ่านทางรายการสันสนีสนทนา น, นี้หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-00-06 ค่ะอย่าลืมติดต่อมานะคะ แล้วเดี๋ยวสักครู่ไปพบ ก, กับการสนทนาธรรมกับพระภัยบูลอภิปุลโนค่ะ